ผู้ปฏิบัติบางคนได้เห็นรูปฟังเสียงที่ไม่ดีก็คิดหนีอารมณ์นั้นสำคัญว่านิพิทาความเบื่อหน่ายบางคนก็หมายว่าเนคัมะเพราะเห็นว่าใจคิดไปจากหมู่นั้นเป็นธรรมเที่ยวหาเสนาสนะที่สงดเช่นวัดเงียบๆหรือป่าถ้ำเขาเป็นต้นแล้วปรารถนาความเพียรแต่ทำไมครั้นไปแล้ว กิเลสทั้งหลายเคยเกิดในใจอย่างใดก็คงเกิดได้อย่างนั้นนิพิทาทำไมจึงไม่ต่อกับวิราคะคือความสิ้นราคาละลาวิมุตความหลุดพ้นขอท่านจงอธิบายให้ข้าพเจ้าเข้าใจนั่นไม่ใช่นิพิธา ไม่ใช่ความนายที่เกิดขึ้นจากปัญญาพิจารณาเห็นความจริงเป็นความยินร้ายในอารมณ์ที่ไม่ดีนั้นเป็นอภิชาโทมนต์อภิชาความยินดีหรือโลภะโทมนต์ความยินร้ายหรือโทสะนั่นไม่ใช่นิพิทาเป็นความยินร้ายในอารมณ์ที่ไม่ดีนั้นเป็นอภิชาโทมนั์ ถ้าไม่ชอบใจแก่ขึ้นไปอีกหน่อยก็เป็นปฏิฆะถ้าเลยไปถึงโกรธก็เป็นโกธะความอึดอัดระอาในอารมณ์ที่ไม่ดีนั้นเป็นอตติยนาคือความอิดหนาระอาใจก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นแต่ตัวสำคัญว่าเป็นธรรมะจึงไม่เป็นไปเพื่อวิราคะและวิมุต ผู้ถามกล่าวว่าแม่น่าตกใจในการที่ไม่รู้จักรษณะของกิเลสว่าเป็นเหตุของทุกข์จึงไม่ได้ตั้งใจละกลับเห็นเป็นมรรคซึ่งเป็นเหตุของนิโรธเราเห็นผิดอย่างนี้จึงไม่มีเวลาพล้นตอบว่ากิเลสกับมรรคนั้นผิดกันมาก เพราะลักษณะของกิเลสประเภทโกรธอาศัยเหตุที่ไม่ชอบใจในรูปเสียงเป็นต้นหรือในคนที่ไม่ถูกกันจึงคิดหนีไปให้พ้นก็คิดวนไปวนมาในใจไม่โปรง่งแล้วรู้สึกหนักใจในเวลาที่ยังไปไม่พ้นผู้ปฏิบัติควรสังเกตดูใจว่ากิเลสประเภทโกรธที่ปรากฏขึ้นในใจ แม้นิดหน่อยเพียงแต่ความยินร้ายไม่ชอบก็ผิดกับจิตธรรมดาที่เป็นขันธ์แท้ส่วนมักที่เป็นเนคขมะสังกปโปรหรือนิพิทาละเอียดประนีตยิ่งนักก็เนคขมะสังกปโปกับนิพิทานั้นมีลักษณะอย่างไร ขอท่านจงอธิบายให้ข้าพเจ้าเข้าใจจะได้เจริญถูกตอบว่าอารมณ์ที่ดีๆเช่นรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพที่ปราณีตหรือลาบยศทรัพสมบัติเงินทองที่บ้านนาสวนที่เป็นส่วนดีๆและสามีภรรยาบุตรหลานที่สัตว์ยินดีปรารถนารักใคร่ห่วงใ ย, ยอะไรพัวพันติดอยู่ ผู้ปฏิบัติเห็นโทษของกามทั้งหลายเหล่านี้จึงดําริออกและละความยินดีห่วงใหญ่อะไรผัวพันในกามเหล่านั้นเสียได้ชื่อว่าเนคขมะสังกโปดําริออกจากกามเนคขมะสังกโปดําริออกจากกามข้าพเจ้าได้ความชัดเจน แต่ส่วนนิพพิทานั้นเบื่ออะไรขอท่านจงอธิบายในส่วนนิพพิธาให้ข้าพเจ้าฟังตอบว่านิพพิธามีสองชั้นคือความเบื่อหน่ายในกามทั้งหลายคลายความกำหนัดยินดีหลุดพ้นจากความเสียดายอะไรผัวพันธุ์ในกามเหล่านั้นสิ้นเชิงนี่เป็นชั้นละสังโยชน์เบื้องต่ำ และความเบื่อหน่ายในปัญจขันธ์คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเบื่อหน่ายแล้วคลายกำหนัดในขันธ์ทั้งห้าคือรูปวิราคะอริยมรพ้นจากอาสวะคือวิมุตติอริยผลนี่เป็นชั้นละสังโยชนเบื้องบน ผู้ถามกล่าวว่านาเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ทรงแสดงธรรมมีป ร, ริยายหลายอย่างล้วนเป็นนิยานิกธรรมคือธรรมะที่นำออกจากทุกข์ข้าพเจ้าได้ฟังคำอธิบายในส่วนเนคขมมะสังกโปกับนิพพทาเพียงสองอย่างเท่านั้นยังรู้สึกโปร่งใจพระอริยส า, าวกในธรรมวินยัยผู้บริบูรณ์ด้วยคุณธรรม ท่านจะเย็นเป็นสุขสักเพียงไรตอบว่าพระอริยสาวกบริสุทธิ์และเย็นเป็นอัศจรรย์เพราะฉะนั้นเราระลึกถึงท่านจึงเกิดเป็นความเลื่อมใสและเย็นเป็นสุขสงบระ ง, งับที่ตามแบบเรียกว่าสังคานุสติ ถามว่าเมตตากรุณากับรักนั้นเหมือนกันหรือต่างกันตอบว่าต่างกันมากอย่างละอริยสัจ ท, ทีเดียวความรักนั้นเป็นสมุทัยเหตุเกิดทุกข์เมตตากรุณาเป็นมรรคทางพ้นทุกข์ ถามว่าเช่นรักบุตรหลานญาติมิตรคิดให้เป็นสุขและให้พ้นทุกข์หรือสงสารจะว่าเป็นสมุทยัยเหตุเกิดทุกข์อย่างไรรู้สึกรสชาติของใจประกอบด้วยความเอ็นดูปราณีตอบว่าความรักและความสงสารบุตรหลานญาติมิตรประกอบด้วยฉันทราคะ อะไรห่วงใยกังวลพัวพันยึดถือหนักใจไม่โปร่งเมื่อคนรักเหล่านั้นวิบัติไปเช่นตายเป็นต้นก็เกิดทุกขโทมนัตเศร้าโศกเสียใจอะไรคิดถึงถ้ารักมากก็โศกมากสมด้วยพระพุทธภาษิตคถาธรรมบทปิยวัคที่ส6บหว่า เปมาโตชายเตโซโกโความโศกย่อมเกิดแต่ความรักเปมาโตชายเตพยังภัยย่อมเกิดแต่ความรักเปมาโตวิปมุตตสระนัตติโซ ก, โกกุโตพยังความโศกไม่มีแก่ผู้พ้นแล้วจากความรักภัยจะมีมาแต่ที่ไหนเพราะฉะนั้น จึงผิดกับเมตตากรุณาส่วนรักนั้นมีความชอบและสงสารบุตรหลานญาติมิตรไม่ทั่วไปในสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นแต่พรหมวิหารส่วนเมตตากรุณาที่เป็นอปมัญญานั้นทั่วไปในสัตว์ไม่มีประมาณและไม่ประกอบด้วยความห่วงใยอะไรผัวพันยึดถือ มีความโปร่งและเบาใจไม่หนักมีจิตยเย็นเป็นสุขและเป็นข้าศึกแก่พยาบาทโดยตรงและได้รับอันิสงส์ิประการด้วยตามแบบที่ท่านแสดงไว้ในเมตตานิสังสสูตรว่าสุ ข, ขังสุขปฏิหลับก็เป็นสุขสุ ข, ขังปฏิพุทติตื่นก็เป็นสุข นาปาปักกังสุปินังปัสติย่อมไม่ฝันเห็นลามกคือไม่ฝันร้ายมนุษย์สานังปิโยโหติย่อมเป็นที่ชอบใจของมนุษย์ทั้งหลายอามนุษย์สานังปิโยโหติย่อมเป็นที่ชอบใจของอมนุษย์ทั้งหลายเทวตารักคันติเทวดาทั้งหลายย่อมรักษา นาสะอากิวาวิสังวาสัตถังวากรมติไฟหรือยาพิษหรือสตราย่อมไม่ต้องผู้เจริญเมตานั้นคือทําอันตรายไม่ได้ตัวตังจิตตังสมาธิยติติดของผู้เจริญเมตาย่อมมั่นเป็นสมาธิเร็วมุขาวันโนวิปัสสีทติสีหน้าของผู้เจริญเมตาย่อมผ่องใส อาสัมมุโลหะกาลังกรโรติย่อมมีสติไม่หลงตายอุตริงอปติวิชันโตพระมโลกคปโคโหติเมื่อยังไม่สำเร็จพระอาหารหันต์อันยิ่งย่อมไปเกิดในพรมโลก